มั่งเิดากันเวลาผ่านไปเราก็ใกล้ความตายไปทุกทีมีการเปรียบเทียบเหมือนกับโคที่เพชรคาตจงสู่หลักอาหารเก้าหนึ 1, ่งเก้าหนึ่งก็ใกล้หลักอาหารไปทุกข น, นะ เปรบเหมือนน้ำค้างมันยอดย่าพอต้องแสงประอาทิตย์ก็ลายหายวับไปต่อหน้าตตาเปรียบเหมือนกับฟองสบู่เป็นฟองดูไม่นานเสี้ยววินาทีแตกเป๊ะการแก่กันเจ็บกันไาย เป็นเทวทูตเป็นเทวธรรมเป็นความจริงที่เราจะต้องผ่านเป็นโจทย์เป็นข้อสอบที่รออยู่ข้างหน้าเมารู้ว่าจะต้องตายแล้วว่าไม่ประมาทกันเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแรงก่อนเดินทาง จิตใจก็มีเป้าหมายสูงสุดทุกทุกชคือฝั่งของประนิพานเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนื้อทุกข์แต่ว่าใครจะไปถึงก่อนกันเกิดก่อนตายก่อนหรือว่าเกิดก่อนตายทีหลังเกิดทีหลังตายก่อนหรือว่าตั้งใจไปรม เด็กสามารถบรรธรรมก่อนคนโตผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เกิดก่อนผ่านร้อนผ่านหนาวก็มีประสบการณ์ชีวิตที่จะทบทวนเรียนถูกเรียนผิดเลือกเป็นด่านั้นเราก็จึงนะมาดูแลกายใจของเรากันจะได้ชีวิต ที่เหลืออยู่คุ้มค่าใจได้อย่างคุ้มค่าจะทำหน้าที่ไม่ได้เวทเบียนตัวเองทำหน้าที่ไม่ได้เวทดเบียนคนอื่นอยู่ก็สมมติมันญยัดรู้สมมติมันหยัดทั้งโลกแต่ว่าไม่ติดสมมติมันญยัดทั้งโลกสมมติให้ดีก็ดีสมมติให้ชั่วก็ชัว่วสมมติให้เป็นบุญสมมติให้เป็นบาป ถ้าเราไม่รู้จะทำดีทุกความดีความเชื่อคนอื่นทำก็ทกบกับเราเราก็ทุกข์ด้วยบางทีลูกทำถูกใจบางที่ลูกทำไม่ถูกใจเราก็สุขสุทุกข์ทุ ก, ทกเหมือนเมื่อวาน<ม>ไปงานศพของยายที่สติหิบ เกิดมาเพิ่งเกินเคยเห็นนั่นแหละคนอะไรตายแล้ยังนอนลืมตายเต็มๆเลยอายุเก้าสิบหกปีก็ยายามที่จะคิดหาสมมติฐานจะประสบการณ์ทางจิตของตัวเองเกิดอะไรหนอเกิดอะไรหนอยใหญ่บาคนปฏิบัติธรรม จะว่าหลายวัดก็มาเผาศพยายว่าหลวงพ่ออุอีสติติก็เป็นเกตาหารผู้หลักผู้ใหญ่ก็มากันทำดีมามากแต่ทำไมเวลาตายเกิดอะไรขึ้นก็เลยลองสอบถามดูว่าแต่ละคนแต่ละคนตอนที่ยายตายน่อยู่ที่ไหนถามแม่แม่ก็บอกว่าอยู่บ้าน ตามมะคนที่ยายรักที่สุดก็บอกว่าไปอยู่กับต่างประเทศเพราะเป็นภรรยาทู่แต่ก็ต้องตามไปอยู่ต่างประเทศ mm hmm. แล้วก็วันกลับมาพอกลับมาถึงหน้าบ้านปั๊บยายก็ขาดลมหายใจลมหายใจหมดทันทีสะดุด mm hmm. แต่ว่าตายยังเริ่มโพงอยู่เลยือหูได้ยินแล้วว่าเออ หน้ามาถึงแล้วเชื่นจิตมาถึงแล้วหูได้ยินว่บอกมาถึงแล้วใจมันก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ตายยังรอดูอยู่ฮะ อ, อยากเห็นหน้าลูกแต่ก็ฟังแล้วก็ชื่นใจตรงที่ว่าก่อนที่จะตายเนะได้พูดออกมาคํำตรงว่าไม่ต้อง ใส่ออกซิเจนให้ฉันแล้วมันจะได้ตายแบบเป็นธรรมชาติปกติก็ใส่ออกซิเจนให้หยุดช่วยหายใจไม่ต้องใส่ให้ฉันแล้วจะได้ตายเป็นธรรมชาติคำพูดครั้งนี้บอกถึงคนมีสติแต่ว่าจะมีสติขนาดไหนใจเมืยอยอาไรบอลอยูออ่อยากเห็นหน้าลูกเป็นการุดท้ายสุดพิลัก ก็มาใข้ควรดูคิดดูประเมิดนดูก็เลยเห็นว่าบางทีเราฝึกสติจิตเราก็เกิดปริพเทศขึ้นมาเหมือนกันห่วงโลกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์อย่างนักเรียนนักศึกษาห่วงการเรียนหรือบางคนก็สับสนไปการเดินทางการหาอยู่หากิ น, นเราก็รู้สึกตัวอย่ า, าต่กินกันไหลไป อันนี้คือธรรมชาติของจิตเราบางังคับบัญชาก็ไม่ได้มีเศษกรรมยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีนิสัยพวกนิสัยสันดาลอยังไงสิ่งนี้จะไปแช่ไปจมกระลองรอยที่มันคุ้นที่สุดรอยลักรอยจังรอยแก้นรอยได้้อยเสียรอยสุก ร, รอยทุกมันก็จะเข้าไปเป็นรอยแผลในจิตใ น, ในใจของเรารอยมันจึงมีอยู่สามรอย รอยที่หนึ่งก็คือรอยมิติกร์อยู่บนหินรอยมีติกร์อยู่ลงบนหินอันนี้รอยมันจะติดนานติดทนตายมันก็ไม่ลืมหรอกรอยลักรอยแกนแต่ถ้าเรารู้ว่ามีรอยอยู่เราก็พยายามละลบรอยให้เขาถึงสภาวะของไร ล, ล่องไรรอยในความว่าง การปล่อยกันวางในะเกิดความว่างว่างจากความหมายความเป็นตัวตนเป็นรอยความปกติเป็นรอยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมต้องทั่วพร้อมด้วยนะแต่รู้ตัวแล้วรู้ไม่ทั่วไม่พร้อมมันก็ไม่ฉเฉลียวฉลาดไม่ว่องไม่ไวไม่คมไม่ชัดเห็นเลื่อนเอนลนรางๆบางคนเป็นโทสะจิตโมหายจิตโลพา่ายจิตนะติดแน่น ตายก็ไม่ลืม <Okay. S 1> ก็ยังหลงก่อนตายได้พบชาติใหม่ก็ดูที่อสัญกรรม <Okay. S 1> คตินิมิตต่างๆซึ่งตัวเองต้องรู้ตัวเองเอาสมัยโบราณก็มีตอนที่พระเจ้าดับขัน <Okay. S 1> สดเดปปรินิพานก็มีพระอรุณุทะ <Okay. S 1> ก็นั่งทำวารจิตของตนให้เท่ากับพระเจ้า แต่เราก็บอกว่าถึงไหนถึงไหนถึงไหนถึงไหนถึงไห น, ไหน mm. บอกได้มีสติ mm. รู้ว่าละจิตของกันและกัน mm. เลยบางทีพระยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยท่านก็รู้ท่านก็รู้ปัจจุบันที่กายกำลังจะดับสิ้นไปเช่นอาจารย์พุทธแท้นะมีลูกสิษย์ของท่านมาสองวันก็นมาพูดที่นี่หละ แล้วการพิธบอกว่าอาจารย์ตานก็บอกเลยทองเอ้ยตายแน่งานนี้ตายแน่ะลิ้นแข็งแล้วเว้ยย่อย้อยความตายเสร็จแล้วจานทองก็ตะโกนบอกไปบอ ก, กบเพื่อนเฮ้ยจานตายแน่ไว้งานนี้ไว้ตายแน่ไว้ลิ้นแข็งไม่ใช่ตื่นตนกตกใจคนมีสติเป็นอย่างนั้น ความตายคือดอกไม้บูชาพระอริยะเจ้าเราก็ฝึกกันต่อมาคือรอยมีดกีดอยู่บนน้ำอันนี้ดีกีดปักหายปุ๊บเลยแข็งสุดก็อ่อนสุดแนะ้วตอนเนี้ยเมื่อกี้หินมันแข็งสุดนะอ่อนสุดก็คือน้ำรอยมีดกีดบนน้ำเนี่ยน้ำไม่มีใครรู้หรอกว่าเรือผ่านมากี่ลาแล้ว พอเรือผ่านไปแล้วก็แล้วไปมันไม่เคยเก็บเอาไว้ว่ากี่ลำกี่ลำลออมีรกีดลงไปในน้าไม่มีรอยนะไล่รอยมากใจแล้วหนที่เรามีสติสมาธิปัญญาเวลากระทบปับ๊บมันก็ไม่มีรอยหรอกหนินทาสนเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสติละลึกรู้ที่ผัสจะ เห็นก็สักตะวันเห็นได้ยินก็สักะวันได้ยินกลิ่นก็สักะวันกลิ่นรสก็สักตะวันรสแต่สัมผัสก็สัะวันสำคัญผักคิดนึกปรุงแต่งก็สักต่อว่าสักต่อว่ า, วามันก็สามารถที่จะทําให้จิตใจของเราไหลล่องไรลลอยไหลตัวไหลตนไม่มีตัวตนก็ไปนในสิ่งที่กระทบกระทบทั้งหลายทั้งปวงเขาว่ากูทําไมก็ทํากับกู ทำไม่ทำไม่ทำไมมันก็มีลอยแต่ตะะตถ้ากระทบแป๊บมีสติรู้รูเสียงสระเสียงไม่ได้มีความหมายเป็นสมมุติบัญญัติสมมติว่าชอบสมมติว่าไม่ชอบสมมติว่ารักสมมติว่าจางังสมมติว่าสุขสมมติว่าทุกข์ไม่มีบัญญัติลงไปแบบนั้นมันก็ ไล่ลองไล่รอ ย, อ ย, อยจริงๆไม่ทุกไม่ทุกลอยมีกีดบนดินอันนี้กลางๆงวันเวลาผ่านไปก็ลบเลือนไปอย่างหลายคนหลายท่านก็จะมีประสบการณ์เหมือนอนกันนั่นแหละปัญหาเล็กๆแต่เป็นปัญหาใหญ่เรื่องใหญ่ก็ยิ่งทนไม่ได้เลย บางคนถึงกันฆ่าตัวตายผูกคอตายกินยาตายอันนี้มันก็ทำให้เราเหมือนกับว่าขาดทุนแหละเพราะว่าลักษณะของรอยมีดกี่บนดินเนี่ย <c oughs> มันเป็นร่องรอยที่อาศัยเวลาหน่อยเราหาหลังกลับไปดูมันเรื่องเล็กนิดเดียวบางทีปัญหาก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพียงเราหลงไปว่า มันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นชีวิตของเราวาดฝันมีบุคคลหนึ่งสองสามเป็นต้นแบบเราก็ยานที่จะใช้ความคิดแต่พอเรามีประสบการณ์จริงๆเราเห็นว่าเออมาเรื่องเล็กนิดเดียวจริงๆวันเวลาผ่านไปปัญหามียังไม่ได้แก้แต่เพราะวนะวันเวลาผ่านไปมันก็ลืมลืมไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อันนี้เรียกว่ารอยไม่กีดบนดินพอมีน้ำเข้ามามีลมเข้ามาเกี่ยวข้องท้ายสุดดินก็ปิดตัวเองร่องรอยต่างๆก็กมกลืนหายไปความรู้สึกตัวนี่จะทำให้เราเห็นกายเห็นใจ ในว่าจิตใจที่มันเผลอเข้าไปแหน่ลมต่างๆลบรดกินเสียงโพื่ัถ่ธรรมาร ม, มเห็นแล้วก็คิดต่อปรุงแต่งต่อ<ม>ยิ่งเห็นความคิดมาทําให้เราได้หลักของปฏิบัติธรรมได้หลักของกรรมฐานวิชากรรมฐานก็ทำให้เราได้เห็นธรรมชาติจริงๆ<ม>ธรรมชาติของจิตมโนปพังกมามธรรมามโนเสษฐามโนมายา ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวแน่มีใจประเสริฐสุดแต่ว่าใจที่ประเสริฐสุดนี่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่ประเสริฐเลยอาจจะเป็นมนุษย์เดราาัจฉานมนุษย์สเปตโตร่างเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตวางเป็นมนุษย์อยู่ใจเป็นสุตลกายเป็นสัตวนรกเป็นสัตว์เดรัจฉาน มันก็จะอยู่ยากร่างเป็นรถใจเป็นมนุษย์ร่างสูงทรงมีสมองคิดทำอะไรก็ได้เดินทางไปออกนอกโลกรู้จักใช้ไฟจุดไฟเป็นความร้อนประกอบอาหารแต่สัตว์ไม่สามารถที่จะใช้ไฟมาประกอบอาหารได้ความแตกต่างของสมอง แต่ว่ามนุษย์มีสมองกลับมาเป็นความทุกข์เช่นกินเหล้าเมายาสุโบรีเที่ยวเตลเลอร์อนเบียดเบียนกันทำลุกระเบิดทำอาวุธมาปาดฝานการชิงสัตว์ทำไม่ได้อันนี้เป็นความฉลาดที่มันตีกลับมาเป็นความโง่ลึกกลายเป็นเรื่องของการเบียดเบียนแทงเบียดเบีย น, ย น, ยนผู้อื่นฉลาดมากก็เปรียบคนมีปัญญาน้อย แต่สัก็แค่กินให้อิ่มสู้กันเพื่อหากินแย่งอาหารกันเพื่อสืบพันุ์แย่งตัวเมียทะเลาะกัดกันอาวุธที่มีส่วนใหญ่ก็คือแค่เคี้ยวแค่เล็บแค่งาแค่แข่งแค่ด้วยจะงอยปากแต่ันโลกองเราเนี เหลี่ยมมายาวร้อยเล่มเกลียนลายลึกก็จึงน่ากลัวที่สุดนะเดยว่าตัวเองกับตัวเองไม่ต้องกลัวใครนขณะปฏิบัติเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้ตัวเองหลอกตัวเองความคิดมันพาให้หลงมเมื่อเราไม่รู้สึกที่ฐานกายมันจะพาหลงพาหลงพาหลงพาหลงแล้วกลับมาได้เนอกปฏิบัติทำ กลับมาแล้วกลับมาอีกปฏิบัติธรรมเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมดารรมดากระทบสัมผัสรู้สึกนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวจะกินจะขับถ่ายรู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดการเกี่ยวข้องกับเองถูกต้องกายประเสริฐใจประเสริฐกายก็อยู่ไปตามกฎของธรรมชาติเราไม่ได้เอาของบนของมา ของที่เป็นพิษเป็นภัยก็มาใส่ตัวจ mm. ิตใจก็เหมือนกันขยะความคิด mm. กระถูกอ ย, กยะแย่คิดเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เ mm. จตนาคิดเป็นบุญเจตนาคิดเป็นความสุขความดีความงาม mm. แล้วก็เห็นความจริงเข้าถึงความจริงศธรรมเบื้องสูง mm. คือเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงทำดี mm. ไม่ต้องยึดดี ทำชั่วทำไม่ดีอันนี้ละเว้นทำไปแล้วก็แล้วก็แล้วไปเฉ<ม>พาะหน้าเฉพาะหน้า<ม>เป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถที่จะทําแล้วก็เดินทางสู่การพ้นทุกข์ละชั่วทําดีจําระจิตได้ทุกคนความรู้สึกตัวจึงเป็นเรื่องของกรอบการฝึกการหัด เลยว่าจิตของเราให้เกิดความประเสริฐขึ้นมามันเคยคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดสับสนบวุ่นวุนฟุ้งซ่านลังเลสงสัยเป็นกามเป็นปยาบาลมาถูกปรับเปลี่นเป็นความปกติความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, ร, รู้นามมารู้แบบนี้ รู้บุญรูบามันรู้มันรู้แล้วมันหายสงสัยถ้ารู้จริงๆรู้ครั้งเดียวรู้คมคมันก็จาแม่นเลยเห็นลองเห็นลอยภายในก็เกิดกำลังใจขึ้นมาเป็นกำลังภายในจรสติตจัาาแลวเกิดความฉลาดเป็นกำลังภายใน ทำทานทําให้รวยรักษาศีนนี่ทําให้สวยทําให้งาม <Okay. S 1> คนมีปกติทางกายว่าจใจแล้ยกวคนมีศีน <Okay. S 1> แต่ว่าการที่รู้เท่ารู้ทันอารมณ์ทุกๆอารมณ์ทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจรูปทํานามทํากันได้ทาให้เกิดความฉลาดกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดจะเหลียวอะไรที่เป็นทุกข์รู้แล้ว ทุกต้องกําหนดรู้เนะีเราเคลื่อนไหวนะัคือทุกทุกกายเนะีเคลื่อนไหวตลอดเป็นพลังของชีวิตพลังของชีวิตเนี่ยต้องเคลื่อนไหวร่างกายขคนที่แข็งแรงคนที่สุขภาพดีต้องเคลื่อนไห ว, อ ว, ต, ออไหวตอนนี้เราฝึกแนวหลวงปู่เตียนมาฝึกเพื่อให้เกิดพลังทางกายด้วยกายเคลื่อนกายไหวแฝงแขนนีการแฝงแขนเนี่ ย, นนยทำให้ระบบประสาทของแขนเนี่ยมันตื่นตัว รักษารโรคได้แข่งแกร่รักษารโรคอันนี้ก็เหมือนกับการแข่งแก่เหมือนกันเคลื่อนมือ14บ่ชั่งวไม่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตง่ายๆหรอกจิตที่มันแข็งแรงมีกำลังต้องหยุดนิ่งหยุดรู้เป็นที่ว่าหยุดคือหยุดเป็นปกติในแดนของปกติทมในแดนของจะใช้ตาหหจมืนกายใจแล้วก็ไม่ต้องทุกข์ใช้สมองใช้ความคิด ปรงแต่งเป็นปความบริสุทธิ์เป็นประมาชันการทําดีบางทีก็ต้องรู้จักทําดียังไงปิดทองหลังผ้ามันก็ได้บางทีเราองดีออกหน้าออกตาโชว์อวดไม่ใช่แต่มันดีแบบรู้เองคนเดียวกันแล้วกันบาดีแบบไหนอย่างเงี้ยบางทีคนอื่นก็ไม่ได้มองเราบารีก็ได้คนอักติโดยเฉพาะเราก็รู้แล้วก็ไม่ใช่มิตรอย่างเงี้ย เพื่อนมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อคิดริษยาเกลือมีหนึ่งน้อยรอยด้ยราคาดีกว่าน้ำเข็มเต็มทะเลเราต้องรู้จักบุคคลหนึ่งสองสามกาลเทศะชุมชนฐานะาฐานะต่างๆอันนี้มันเป็นตัวรู้<ม>ทางจิตวิญญาณของเรารู้สึกกายก็รู้สึกจิตก็รู้สึก ตาโอ้จมลิ้นก็นรู้สึกสิ่งเดียวกันตัวรู้สึกนั่งเดินยือนนอนก็นรู้สึกตัววิธีหลวงปู่เทียนเนี่ยจึงเป็นลนักษณะของร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราแข็งแรงมีกําลังกายก็หนุนไหวก็แข็งแรงจิตหยุดดูแข็งแรงส่วนใหญ่จิตจะเป็นสัมปเวสี เ, เร่ร่อนเป็นโอปปาติกะพุดเกิดขึ้นมาเป็นเทวดา เป็นเปรตเป็นผีเป็นสนันนรลกต่างๆคราวนี้เราก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเขาภพหมายถึงว่าการที่เขาเกิดขึ้นมาแต่ละขณะเป็นพบเกิดทางตาทางหูท้งจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตวิญญาณเป็นพบทางจิตวิญญาณเป็นนามธรรมก็เรียกว่าพอผ่านกับออพอพอสัมเภากับพอผ่านพบ แต่ถ้าเป็นพบพพทางรูปธรรมก็เรียกว่าพอผ่านกับเบาใบไม้พบเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมชาจรามลณะมันก็เป็นการเวียนไหวไตายเกิดวัฏฏะสงสารต่างต่างหูจมูกเล็นกายสมองมันไม่ใช่ตายหนึ่งครั้งจากท้องแม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายเน่าเข้าลงเผาอันนั้นมันเป็นพบของรูปขัน แต่พบทางจิตวิญญาณสามารถเกิดดับได้ทั้งวันคุมดีคุมร้ายฟูฟูแฟบๆสุกสกุทุกทกเมื่อเราเป็นผู้ที่ฝึกสติจเจริญสติปัฏฐานอยู่เป็นกิจวัตรล้วนนิจสินต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดไปละเวลาเราจะได้เห็น อาการต่างๆที่มันเป็นการแสดงเรียกว่าธรรมชาติ mm hmm. ของไกลของจิตเป็นอาการต่างๆ mm hmm. ก็จะถูกร mm hmm. ะหัสออกมา mm hmm. ก็เป็นปัญญายานวิปัสสนาญาณก็เกิด mm hmm. เมื่อจิตมันแสดงตัวรวมตัวเป็นกำลังของสมาธิ mm hmm. เป็นปกติ ตรงนั้นล่ะคือสภาวะที่มันจะโปร่งตัวเองออกมาโปร่งตัวเองออกมาแสดงถึงโลกของภายในที่มันปลอดภยัยจุดนี้จะไม่มีใครมีภัยเพราะเรามันจะเป็นจุดที่ปลอดภยัยเมื่อมีอารมณ์มากระทบเราก็จะไม่ได้วันไหว เป็นแดนที่หลวงปู่เทียนเรียกว่าปกติแต่ว่าภาษาในบาลีเรียกว่านิพานนิพานก็คือจิต ท, ที่ปกติปกติบ่อยๆตอน ต, ตื่นเราก็รู้สึกตัวเห็นจิตมันปกติอยู่เวลาตื่นมาทำวัดสดมาเราเห็นจิตมันปกติอยู่ เห็นแบบนั้นเวลาสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมเห็นจิตปกติอยู่จะไปรับประทานอาหารอาจจะมีเผลอหลงคิดบ้างแต่ว่ากลับมาได้เร็วยิ่งตอนปฏิบัติยิ่งเห็นเลยมันเผลอหลงปั๊บกลับมาปุ๊บมีความง ก, กลับมาแวกออกหาความรู้สึกตัวเจ็บปวดเมื่อยล้วก็รู้แล้ว ปรับเปลี่ยนตอนกายบรรทาแก้ไขให้เขา mm hmm. ความคิดถึงบ้านอาดีตนะเาจะกลับมาหาความรู้สึกตัว mm hmm. หรือ่างทีมีสติรู้ทันเห็นการเกิดดับ mm hmm. มันก็มีพัฒนาการ mm hmm. ทำให้เราตื่นตาตื่นใจแล้วมีความประหลาดใจอ้า จ, รรจัรจ mm ันใจว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้สองพันกว่าปีมันมีจริง mm hmm. มันไม่ได้เสื่อมถอยหรือว่า เป็นเรื่อนลอยหลอกลวงไรสาระมันมีสาระเป็นสาระของชีวิตนะที่เราต้องดำเนินชีวิตนะอย่างมีสติมีปัญญามีความรู้สึกตัวบางทีเราก็ฝืนใจไม่ได้ทำตามอารมณนะ์ปรากแล้วว่าอารมณ์พาทม เราให้ลักษณะของธรรมชาติภายในของเรามันจัดระเบียบธรรมชาติของสติธรรมชาติของสมาธิที่เป็นสัมมาด้วยนะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิลักษณะของปัญญาพุทธะที่มันเกิดจากการรู้ตัวเป็นสติสัมปัญญาเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจะทําอะไรจะคิดจะพูดจะทเราก็พยายามรู้สึกตัวขณะนั่งขณะเดินขณะยืนขณะนอนรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวยิ่ง เคลื่อนมือแบบแนวหลวงพุท externally ชัดให้นะามาบอกเลยว่าการยกมือทักครั้งไม่ใช่การโชว์แต่เป็นการแสดงทำแสดงทำให้ดูยกได้ทั้งวันแหละแบบนี้ถามว่าทาไมมันยกได้ตัวเองก็จะตอบทันทีก็เรายกธรรมดาธรรมดาไม่ได้ยกเอาอะไรนี่นะเรายกไม่ได้เอาอะไร มันก็เบาได้ตลอดนั่นแหละบางทีอาจจะมีการง่วงซึมบ้างนะอันนั้นมันบอกถึงพละกกำลังประเมินตัวเองเลยนะจิตใจของเรามันหมดกำลังมันหลุดหลงเข้าไปในปะวังหลงไปในความง่วงแล้วก็มีมิจฉาสมาธิมารองรับเดินนะมันก็จดจ่อแช่แบบนั้นมือจะหมดแรงยกไไปขึ้นเพราะแรงใจมันไม่มี กำลังใจมันหมดมือไม่ได้ยกมันสั่งตัวเองไม่ได้แต่ถ้าแรงใจมันมีมีความเป็นปกติมันทําแบบไม่ได้ อ, อะไรมือเบาๆธรรมดาเนีเ่ตรงนี้แหละคือจุดเบื้องต้นเ ร, เริ่มต้นที่เรามาฝึกหัดกันเก็บอารมณ์ด้าจะมาเจ็ดวันก็ตามถ้าจับประเด็นตรงนี้ได้นะไปไหนลุยเลยพระเจ้าอาจารย์สุรินทร์ก็บอกว่าโอ้อาจารย์ เดินทางสิบสามชั่วโมงแหมไม่เหนื่อยเลยนะอาารมาบอกเลยก็เราก็ไปได้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยนั่งรถเราก็สำรวจตัวเองเหมือนกับตอนที่เราปฏิบัตินั่นแหละเมื่อก่อนเรานั่งอยู่แถวอี้ลานหินโค้งปฏิบัติแต่ตอนนี้เรานั่งอยู่ในรถแล้วเราก็สํารวจตัวเราเองอยู่ผ่อนคลายหน้าผ่อนคลายตาไม่หลงไปสองข้างทางแล้ยิ่ง จะไปธุละสำคัญอย่างนี้นะรีบไปรีบมาเนี่ยจะไม่เอาใครไปเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันจะทำให้จุดหมายปลายทางของเราเนี่ยช้าแทนที่จะถึงแล้วก็ตรงต่อเวลาทันนะกิจกรรมที่เขากำหนดเอาไว้เพราะนั้นการไปคนเดียวฟืดมนเดียวจบเลยถึงเลยกลับมากันเหมือนกันฟืดถึงเลย มันไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกถึตงตรงนั้นนะเราอยู่เรื่องขงความเป็นโปรีของกายของจิตอยอันนี้นนเราว่าเข้าออกจนเป็นวะสีเราเข้าออกจะเป็นความชํานาญเวลาทางานกันไมนกันกำหนดจิตเลยนะกำหนดจิตทําเลยมันก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทําจนต้องสําเร็จอยเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรได้สําเร็จนะก็จะต้องมีนะอิทธิบาทสีนะต้องมี ฉันทะวิยะจิตตวิมังสาบางคนชอบตีความฉันท่าเป็นความโรคชอบตีตัวฉันท่าเป็นตัณหาไม่ถูกฉันท่าคือฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีฝ่ายบุญฝ่ายตัณหานีการทยานอยากตัวนั้นมันเป็นลนักษณะของอกุศลทั้งหมดแต่ว่าการที่เราอยากปฏิบัติธรรมการเคลื่อนมือสิบสี่วันนี้เป็นฉันทะเมื่อการทํา การงานที่ชอบที่มาโดยธรรมชาติหรือว่าโดยสมบัติบัญญัติที่ทุกคนประชุมกันแล้วเห็นว่าดี น, นั้นหมายถึงว่าคันลองของธรรมว่าธรรมประเพณีจริยธรรมศริธรร ม, รรรมสังคมนิยมต่างๆทำรรเนียมปฏิบัติแต่ว่าเรื่องของการที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัว อันนี้มันก็สู่สภาวะของปรมัาถสภาวะทันทีเมื่อสัมผัสแล้วรู้สึกเราก็เจตนากระทาลงไปเรียกว่ากรรมมัฐานนะอันนี้แหละมันทำให้เราเห็นการแก่การเจ็บการตายของกายเราทุกๆขณะเราสามารถเกี่ยวข้องให้เขาผ่อนคลายเป็นปกติได้การวางหน้าวางตาวางกายใครๆเมื่อเราทําไปจะสังเกตได้เวลาง่วงไปยังไงมันเกยยังไงหน้าตึงก็จะจิตใจที่มันตึงมันผู่มันรัดมันมัดอยู่ เรื่องนั้นเรื่องนี้ในความคิดอดีตอนาคตเราก็ผ่อนคลายนะคือตัวปัญญา <S <S ปัญญาก็เห็นตัวเองแล้วเกี่ยวข้องตัวเอง อ, ง, งอย่างถูกต้องเห็นการงานเกี่ยวข้องกับการงานอย่างถูกต้องถึงจะผิดกับผิดไม่มากหรอ <S <S กแล้วทีมกันก็คือมันเป็นลักษณะของธรรมชาติทํางานเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันไม่ได้ทางานเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลแล้วท้ายจะดมาทะเลาะกัน <S <S อย่างนี้ มันจึงเป็นสิ่งที่เราหน้าใส่ใจลงไปมันเป็นตัวชีวิตจริงๆใครยังไม่เห็นการปฏิบัติธรรมการฝึกการเคลื่อนกันไหวเป็นความสําคัญออกห่างได้เลยแสดงว่าไม่ค่อยรักตัวเองกันแสดงคนประเภทเนี้ไม่รักเราเหมือนกันเดี๋ยวดเดือดร้อนถ้าเข้าใกล้เดี๋ยวใส่ร้ายป้ายสีสา ร, รพัดเกิดขึ้นมาแต่ถ้ามีการตรวจสอบดีๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก มันเป็นความบริสุทธิ์อะไรอย่างหนึ่งลนะที่มันมีอยู่ข้างในของมันนั่นเราก็จึงทําดีทั้งวันละชั่วทั้งวันแล้วก็ชำระจิตทั้งวันกันเลยเพราะการเดินจงกรมนะการนั่งสร้างจังหวะเนี่ยอันนี้สําคัญนะอย่ามองข้ามแต่ถ้าทําเป็นแล้วจะไปทําอะไรก็ไปเอะลุยโลกจะไปไหนก็ไปเออไม่จําเป็นต้องมากระจุกกันอยู่ยัยกันอยู่ยยกันกินโลกยังมีอาหารอีกเยอะอย่างเช่นไปงาน ที่ว่าหลวงพ่อหยีสถิติอาหารเยอะแยะไปหมดปลาจาระเมดอย่างดีอาหารทะเลซีฟูด้ดไม่มาอยู่ยากลำบากอยู่ที่นี่หรอกการอยู่การกินกัรกบกันฉันผูกคนสังคมอยู่กัน้วยกรอบโดยระเบียบวินยัยด้วยความเคารพจริงๆที่ป่านนะอาเคารพกันจริงๆมันมีอยู่ ตามอายุไคเราก็ว่าไปตามสมมติบัญญัติอย่างนี้นะแต่โดยสภาพธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของคุณธรรมที่มีอยู่ภายในของเราความเป็นปกติธรรมการมีศรรมีลมีธรรมอยู่ภายในใจของเราอันนี้เมื่อเรามีเราก็ต้องแบ่งปันกันอันนี้แหละที่ในโลกนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังแล้วก็พอาา่อก็ไปเรียสอนแม่ก็ไปเรียสอนอย่างพ่อทํำไมาตอนนี้อายุ82 ท่านก็ยังดูมีสงาาส่าราศีดีในใจยตาของอรรมามก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งแล้วก็รู้อะไรรู้จริงทำอะไรทำจริงตรงไปตรงมาแล้วก็แสดงออกกัตามาแบบปล่อยแบบวางดีส่วนแม่นี่ก็ตามภาษาเพศหญิงเห็นหน้าลูกกระต้องร้องไห้ไปเจอหน้าแม่ถามว่าแม่ร้องไห้แมหมเสียใจเหรอเจอกันนะ ปลื้มใจว่ะเห็นลูกเห็นบ้านเหลืองไม่เคยเจอไนงะมาบวชเนี่ยเจอแต่ไม่ออกหลังเนี่ยแม่ตัวเองไม่เคยไปหาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คิดว่าเออเขาเข้มแข็งอยู่จะเจอกนในในงานนี่เป็นงานของยายเราเป็นหลานยายเข้าไปลูกยายเขไปเจอในงา น, นถ้ากลับไปมันก็ดีก็นึกนึกอยู่เหมือนกันโอ้พ่อแม่เราเราไม่ได้ดู คนอื่นก็พ่อแม่เราเหมือนกันเบียนไหว้ตายเกิดมาถ้าพบชาติมีจริงอย่างที่เขาว่ากันไม่รู้เป็นอะไรกันกองกระดูกเท่ากัเขาพาสูเมนอยเงี้ยมันกี่พบกี่ชาติก็คงจะเป็นอะไรกันมาเพราะนั้นเรานัองสาร น, นะว่นวันที่นี้ก็เปรียบเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีคนแปลกหน้าคาพูดคำนี้มีความหมายมากเราไม่ใช่คนแปลกหน้ า, าเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเราผน กรรมใครกรรมเราแหะทีนี้ใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นะมนโนปุพังก็มาทำมามนโนเจตฐามนโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวนะใจดีบุญก็นําใจร้ายบาปก็นําเราก็เลือกเอามีสติมีปัญญายอยู่เนอะอบุญเนะบาปเนะเกิดเนือแก่นอะอเจ็บเห น, ตเนืตายเหนะวัฏฏะสงสารเอาแค่ขณะจิตเดียวที่รู้สึกตัวไปก่อนเมืเ่อลรู้สึกตัวขณะจิตเดียวอีกหลายๆขณะดมันจะพาเราไปจนถ้ามันเต็ม มันจะรู้สึกว่าอิ่มอยู่ภายในของเรานีะมันเต็มมันมั่นคงมันตั้งมั่นอันนี้มันก็พร้อมแล้วที่จะลุยโลกโลกธรรมทั้งหลายมันไม่ยีหลาหรอกเพราะว่าจิตมันมั่นคงมันเป็นปกติอยอะเมื่อรู้ทันทางตาทางหูจเล่นกายใจผัดสะมก็หล่นตรงนั้นแหละยิ่งเรามีความรู้สึกตัวนี้ปลอดภัยเลยไปไหนมีความรู้สึกตัวอบอุ่นทีเดียว เปรียบเหมือนพ่อเหมือนแม่ของเราสติมีอุปการะสูงสุดเป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดเหมือนรอยเท้าช้างอันนี้พระเจ้าเปรียบเทียบนะอาจจะาเห็นว่าเป็นสำนวนที่จำมาพูดนะมันก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องคิดเอามันตรงจริงๆลอยเท้าช้างหรือเปรียบเหมือนใบไม้กำมือเดียวพุทธ อ, องเข้าป่าไปแล้วก็หยิบใบไม้แห้งหล่นมากำมือหนึ่งแล้วก็ถามสาวกว่า ใบไม้ในปา่าใบไม้ในมืออะไรมากกว่ากันสา ว, วก็ตอบว่าใบไม้ในมือมากกว่าพระเจ้าค่ะถูกแล้วเราตรากร้ากล่าวว่าใบไม้ในมือมีน้อยกว่าใบไม้ในปา่านี่แหละคือธรรมะที่เราได้สอนหมูนิยชาติเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ก็คือมหาสติฐานสุดไปไม่กับมือเดียวสูการพ้นทุกขนะ์เป็นเอกาวมัคควิสุทธิยาทางเอกขนทางเดียวสู่การรู้แจ้งมหาสติฐานสุดไนะด้ามาที่นี่เราก็ได้รู้แล้วมหาสติฐานสุดก็คือความรู้สึกตัวที่ฐานกายแต่ละขณะนะความรู้สึกตัวในขณะที่จิตมันคิดแต่ละความคิดที่เกิดดับนะนะเราก็จึงสัญ้างชีวิตของเรากัน หน้ามามองตัวเองเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องอก็ขอให้ความดีความงามที่เราได้ทำกันมาแล้วก็การปร ะ, ะพฤติป ร, ร, รมานทั้งเอาทั้งหลายนะก็จะเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกเข้าถึงสภาวะของมรรคผลนิพพานโดยทั่วอนากันทุกท่านทุกคนนั้นทูร